ขอความเจริญในธรรมจะมีใดท่านบุกฟังทงั้งหลายแต่ลงประพุทธญาณได้นำเสนอเหตุการณ์ภายใต้ต้นพระสีมาโผหรือจะเรียกชื่อเดินจริงๆก็อาจสัตถะอาจสัตถพฤกซึ่งเนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ประทับแล้วก็สัสรูภายใต้ต้นอัจสัตถพฤกนั้นในการต่อมาชาวพุทธก็เรียกว่า ต้นโพธิแปลว่าปัญญาเครื่องสัสรุพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ในสถานที่นั้นก็เรียกว่าสเสวยิมุติสุขคือความสุขที่เกิดจากจิตซึ่งหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างแท้จริงก็เป็นไปตามพระพุทธุทานที่ทรงเปล่งในช่วงสุดท้าย จึงเคยกล่าวไว้ก่อนที่จะข ย, ยายความพิสดารในปฏิจจสมบัติที่ว่าเมื่อได้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นนั้นย่อมกาจัดมารและเสนามารเสียได้ดุปราไทยทำอากาศให้สว่างสวัยเะนั้นจากนั้นก็ส่งพิจนาปัจจัยาการไปตามลำดับ แล้วก็การที่เสด็จประทับอยู่ที่นั้นตลอดทั้งเจ็ดวันเนี่ยสถานที่นั้นจึงเรียกว่าโพชิบันลัง ร, รอบๆก็เรียกว่าโพชิมุนทนก็จะเป็นสังเวชนิยสถานแห่งหนึ่งที่เมื่อพุทธบริษัทรล ำ, ล ำ, ลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปในสถานที่นั้นทำใจเรื่มใสในพร ะ, ะรัตนกรัยจำลึกถึงคุพรัตนกรัยอยู่แม้เกิดทํากาลกิริยาลงณนะสถานที่นั้นปรทรงแสดงว่าจะบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์แต่ว่าเป็นพุทธธรรมที่สัตว์แสดงเมื่อก่อนที่จะเสดจตัอคันธปนิพาน ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ออกจากสมาบัติในวันที่แปดอันเป็นสัปดาห์ที่สองนับแต่ศัตรูทรงทราบปริวิตกของเทวดาบางพวกว่าพระาศาสดาประทับณบัลลังก์เดียวตลอดเจ็ดวันโดยไม่เสด็จลุกขึ้นนั้นคงคงจะมีกิจที่ต้องทำอยู่อีกหรือหนอเพราะยังไม่ทรงละความอะไรในบัลลังก์ เพื่อจะทรงได้งับความปริปรบตกของเทวดาเหล่านั้นจึงทรงเหาะขึ้นสู่เวหาเราทรงแสดงยมกปฏิหารยมกปฏิหารนั้นคือการใช้พวกกสินเนี่ยแสดงออกมาเป็นคู่คู่เจว่าไฟออกมาจากพระเนตรข้างหนึ่งน้ําออกมาจากพระเนตรข้างหนึ่งไฟออกมาจาก ไปชิวหาข้าไอาหูข้างหนึน่งน้ำก็ออกมาดับไฟจากหูข้างหนึน่ง อ, ออกมาจากช่องพนาศิกออกมาจากช่องประกันออกมาจากช่องพนาศิกหรือออกมาจากส่วนต่างๆคือตามปกติการเข้ากระสินคู่เนี่ยสามัญชนเนี่ยเข้าไม่ได้หรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายเข้าไม่ได้คือเข้าได้ก็เพียงคนใดคนหนึ่ง จ, จะใช้ปฐวีกรสินก็เป็นปฐวีกรสินไปเราจะการที่เราพบเรื่องราวต่างๆบอกว่าท่านภูมิริศสามารถเดินไปบนน้ําได้ที่จริงก็เพ่งอโปคือเพ่งน้ําเป็นดินเพราะฉะนั้นกรสินที่ท่านเจริญก็คือจเจริญปฐวีกรสิน การแสดงย ม, มุกปฏิหารในคราวนั้นเดือเป็นการแสดงเพื่อสลายความข้องใจสงสัยของเทวดาบางพวกแต่นั่นเองก็ยังไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะตลอดระยะเวลาเนี่ยหลังจากส่งแสดงแล้วย ม, มุกปฏิหารเสร็จแล้วการส่งระงับปริวิตกของเทวดาทั้งหลายด้วยปฏิหารนี้แล้ว จึงลงประทับยืนทางด้านทิศเหนือติดกับทิศ ต, ตะวันออกเยื้องจากบันลังไปเล็กน้อยทรงดำริว่าเราแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานที่บันลังนี้ทรงลืมเะเนตดูบันลังและต้นโพอันเป็นสถานที่บรรลุขนแห่งพระบา ร, รมีทั้งหลายสิสกมาเป็นมาเสียสงไขยกับอีกแสนกับ ดโดยดงพระเนธที่ไม่กระพริบทรงรับยั่งอยู่ตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้เรียกว่าอานิมิสเจดีคือสถานที่ทั้งเจ็ดแห่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าสัตะมหาสถานคือสถานที่ทรงยับยั้งอยู่หลังจากศัตรูในเจ็ดแห่งนั้นคือมีในพระบาลีอยู่เพียงสี่แหง่งแต่แห่งเนี้ยอานิมิสเจดีเนี่ยเป็น สิ่งที่พระตัตถาจารย์ท่านอธิบายไว้แล้วในการต่อมาถ้าหากว่าทา่านสาธชนได้ไปที่พุ ท, พทธคยามาที่เจดียพุทธคยาก็จะมงเห็นคงเห็นสถานที่ที่เรียกว่าอนิมิสเจดีย์ซึ่งก็อยู่ทางด้านทิศเหนือติดกับทิศตะวันออกก็เยื้องจากต้นโพไปเล็กน้อย ก็เสด็จประทับยืนนะฮะคือประทับนั่งอยู่เจ็ดวันต่อมาก็ก็ประทับยืนอยู่ตลอดเจ็ดวันท่านบอกว่าไม่กับฟิปเรเนตมันก็มีคนก็ทุ่งติงดังข้อสังเกตว่าการยืนโดยไม่กับพิตาเลยเนี่ยยืนได้จริงหรือเปล่าก็ในแง่ของพุพธบรมีเราต้องถือว่ายืนได้แต่ปัญหาว่ายืนทําไม ตอนพระสัพพัญยุตยานที่ทรงเพ่งดูเนี่ยภกชิที่ทรงเพ่งดูมันก็น่าจะเป็นการดูด้วยตาไหนคือตาปัญญาหรือพุทธจักสุหรือปัญญาจักสุหรือทิปจักสุหรือสมันดจักสุเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นประกอบด้วยจักสุทั้งห้า ที่เราสวดสันเริญพระพุทธคุณในสมัยที่เราเป็นเด็กเวลานี้ก็ยังสวดกันนในข้อความที่ว่าพร้อมเนบนจะพิสัจักสุจราดพิมนสายเห็นเหตุที่ใกล้ไก ล, ก, ลก็เจนจบประจักจริงพระพุทธองค์ทรงมีมังสะจากสุคือตาเนื้อธรรมดาอย่างที่สามัญชนเขามีกันแต่ว่าตาเนื้อของพระองค์มีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าได้ทรงสละ ดวงตาเนี่เป็นทานมาหลายพวกหลายชาติทำไมพระเนตรของพระองค์มีความแจม่มใสไม่พร่ามัวตอนสูพระยาเป็นยังไงหรือตอนพระชนพรรษา80สิบก็เป็นอยางงั้นต่ด้านเขาปัญญาจากักษุก็ทรงรอบรู้ถึงธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแยกแยะกลุ่มธรรมเหล่านั้นออกไปอย่างชัดเจนพุทธยากุก็ยังรู้รายละเอียด บางครั้งเราเ อ, อะอัเรียกว่าพุทธญาณจนในกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏที่ส่งให้รายละเอียดแล้วเวลาแสดงส่งแสดงธรรมะให้ลองสังเกตว่าบางครั้งถ้าคนฟังเขามีพื้นฐานสติปัญญาสูงเนี่ยสงแสดงละเอียดมากละเอียดจนจนว่าสามัญชนทั่วไปมันนึกไม่ออกนึกไม่ทัน ว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันมีอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าภูมิธรรมสติปัญญาเรามีไม่มากพอเราก็นึกในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นดึงพุทธญาณที่ยังรู้ธรรมะเหล่านั้นยังแตกฉานแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่บุคคลซึ่งมีวาสนามบารมีแก่กล้า ม, มากพอ ที่ปัจกจสุเป็นการมองไกลแล้วก็เจาะรายละเอียดเป็นเรื่องๆไปก็เรียกว่าตาชิบหมายความบามองไปไกลเห็นสัพปปสัตเห็นเบื้องหลังเห็นภูมิหลังของคนเหล่านั้นเห็นกระบวนการแห่งกรรมเห็นวิถีชีวิตที่เป็นนดัดีตอนาคตตลอดจนปัจจุบันของสัตว์เหล่านั้นและสมันปัญจสุก็คือตัวพระสัพพัญญุตญาณ บนตรงนี้แหละคงจะเป็นเรื่องของสัพันยุตยานอยู่เลยแม้จะใช้บังาาสะจักษุมองต้นประสีมหมาโพด้วยความสํานึกคุณประเด็นนี้ก็คือประเด็นหลักประเด็นที่สํานึกคุณของต้นต้นประสีมหมาโพหรือโพที่บรรลังหรือว่าต้นนสัตว์ตรึกนี่คือคนเรานั้นจะต้องมีที่มาแล้วก็ที่ไป ความเจริญของบุคคลเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเวลาสถานที่การกระทำเป็นเหตุนำไปสู่ความเสื่อมความเจริญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างคนเอดแต่ละคนเนี่ยก็เรียกมาตุภูมิปุตภูมิมีแผ่นดินถิ่นเกิดเราสานึกคุณของแผ่นดินได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร แต่กว่าเราสมนึกคุณได้แล้วเราจะมองเห็นความตนเนี่ยว่าเรานั้นที่จริงไม่มีคุณค่าอะไรทอะไรหรอกก็อาศัยสิ่งอื่นคนอื่นมาได้กันทั้งนั้นถ้าไม่มีคนไม่มีเวลาไม่มีสถานที่การกระทาก็เราจะดีก็ตามมันไม่มีที่ให้กระทามันไม่มีใครรับรู้ซึ่งการกระทาเหล่านั้น ทางการมองที่ท่านพระตถาจารย์แสดงนะฮะว่าโดยทรงดำริว่าเราแทงตลอดพระสัพพยุตยานที่บรรลังนี้หนอก็เป็นการเน้นที่ตัวสถานที่แต่โดยโครงสร้างของสัปพปริสธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เน้นที่เหตุผลรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสถานะของตน รู้จักความเหมาะความควรรู้จักการซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเทสะไว้แต่ว่าการละกเทสะนี่ที่จริงเขาไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันรือแยกจากการไม่ได้เ้าอยู่ในเทสะหนึ่งมันต้องอยู่ในกาละหนึ่งจะอยู่ในกาละหนึ่งมันก็ต้องมีที่ให้เหยียบมีที่ให้ยืนมีที่ให้นั่งมีที่ให้นอนมีที่ให้ปฏิบัติภารกิจการงานเหล่านั้นบนกาละกเทสะจึงมีความเชื่อมโยงกัน แล้วก็กลุ่มคนบุคคลความเป็นสัพพิสธรรมเนี่ยจึงครอบคลุมไปหมดทีเดียวทั้งเจ็บจาจ บ, บางครางบางคนอาจจะบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นในจุดนั้นเช่นว่ามันไปพลาดที่ตัวบุคคลไปพลาดที่กลุ่มคน หรือว่าสถานที่ตรงเนี้ยไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้หรือเวลาเช่นั้นะไม่ควรพูดเรื่องแค่นั้นไม่ควรทําเรื่องแค่นั้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าผิดกาลเทศะคราวนี้ลองสังเกตว่าสมมติว่านักศึกษานั่งเรียนอยู่ในชั้นแล้วก็มานั่งสมาธินี่ในขณะที่อาจารย์บรรยายก็นั่งขัดสมาตั้งสมาธิเสเลย ถ้าเราถามไม่สมาธิดีไหมก็ต้องตอบว่าดีแต่ว่าสถานะของเธอนั้นเป็นนักศึกษาและก็เวลาเรียนไม่ใช่เวลาสมาธิก็แสดงว่าการกระทาเหล่านั้นมันขาดอัธยาุตาธรรมัญญาตาขาดการรู้จักเหตุรู้จักผลเลยก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปทีนี้การแสดงให้เห็นเรื่องความสานึกถึงคุณอุปการของ บุคคลของสถานที่ของกลุ่มคนขององค์ธรรมมันเป็นเนติดแบบอย่างของบัณดิตทั้งหลายที่ยึดถือพระผู้มีระภาคเจ้าเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวในชีวิตของตนเองเพราะตามปกติเราจะเห็นว่าที่มีข่าวกราวปรากฏในที่ต่างๆเนี่ยคือคนเราขาดความสำนึกสำเนียก ในประเด็นที่ว่าเราคือผู้อาศัยเขาไม่ใช่เขาอ่าใส่ยเราและบางครั้งก็เด็กๆนนะเด็เด็ ก, นะด ก, ดกอายุเพียงยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบต้ น, ตน เ, อเอาขนาดว่ายี่สิบเอดี่ิบสองลงมาก็ได้คือในแง่ของคุณูุปการที่ตัวเองได้รับจากสังคมนะมันมากมายทัเกศแต่เราก็ยังไม่ได้ชดใช้อะไรแก่สังคม คนบางพวกก็ไปสร้างปัญหาสารพัดทำนองคล้ายๆกระชาติบันเมึองเป็นหนี้เขาแทนที่เขาจะสําน็กว่าเขาเป็นหนี้ชาติบันเมึองเนี่ยเพราะว่าองค์กรเอกชนทั้งหลายที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยหรือไม่ใช่ทุกองค์กรนะฮะแต่บางคนนั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเธอจะต้องหาคำตอบ ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำอะไรให้ก่ชาติบ้านเมืองมั่งเรียกร้องชาติบ้านเมืองขัดขวางชาติบ้านเมืองกล่าวหาชาติบ้านเมืองก็ตัวเองไฟในนําออกไฟนอกนำเข้าสาวใายกากินซึ่งเป็นวิธีการที่สังคมก็ห้ามมันแสดงถึงความอักตันยอยู่ขาดความสํานึกคุนต่อประเชศชาติที่เป็นองค์รวม มันความสำนึกในแนเนี่ยเราก็หล่อเลี้ยงสังคมมาตลอดจนถึงก็แสดงถึงว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะคนที่ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแล้วกติไทยเราก็มาพูดว่า กินบนเรือนถ่ายรถลังคาหรือว่าเคยเข้าไปข อ, อน้ําเกคยหลบฝนหลบแดด ข, อ, ข, อ, นข อ, อน้ำก็กินขอน้ํำก็ดื่มที่บ้านใครมาก่อนก็ตามก็ถือว่าท่านเหล่านั้นมีอบารักุณแม้แต่โจรนะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโจรเนี่ยไม่มีศีลเนี่ยเขาก็มีสัจจะคือฆ่าเขารับคุญูบการในไหลของใครแล้วเขาจะไม่ประทุษรักคนเหล่านั้น ที่โบราณบอกว่าไม่มีศีลก็ให้มีสัตว์แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งสัตว์ทั้งศีลได้แล้วก็ดีประเด็นฉ บ, บัดตรงนี้ก็ส่งถ้ามองแนวเดียวนะฮะมองแนวที่เพ่งดูด้วยความสํานึกคุนของตนอาศรตพึกษหรือต้นโพกตามดําริที่ว่าเราแพงตลอดสปัญญุตยานที่บันลังนี้มันก็แสดงว่าเป็นแบบฉบับอย่างหนึ่ง ที่คนได้มองเห็นว่าเราทุกคนในอิงอาสายเขาทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะฮะให้เราสังเกตไม่มีใครหรอกที่ให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐียังไงก็ตามที่รวยมาได้เนี่ยมันก็รวยมาจากคนทั้งหลายในบ้านในเมืองในสนับสนุนซื้อสินค้าเขาสนับสนุนกิจกรรมของเขานใช้แรงงานของเขาบนก่อนนี่ แต่พบข่าวคุณอะไรอ่ะที่ประดีกรมชาสงครงข้อคนก่อนที่เป็นประลักกระทรวงตอนนี้อาจยจิรวัตรอะไรเดี๋ยวเขาพูดกับพนักงานไทยเกลียงกันในทุนเขาพูดเก่งคือเขาบอกว่าบริษัทกับพนักงานเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เพราะถ้าแยกแล้ว มันก็อยู่ไม่ได้ก็เรียกว่ามันเหมือนกับสามีกับพัญญาเนี่ยตอนแยกแล้วมันก็เป็นครอบครัวไม่ได้เพราะว่าบริษทัทห้างร้านจะใหญ่โตยังไงก็ขาดพนัก ง, งานไม่ได้พนัก ง, งานจะเก่งกาจสามารถยังไงก็ตามก็ขาดองค์กรที่ทำงานก็ตนเองไม่ได้ว่าในแนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นแนวความรู้สึกเป็นมิตร มาก็เคยพูดพูดอยู่บ่อยๆ เ, ยเวลาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้บอกว่าต้องคิดหมายและวิธีการพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีความคิดสร้างสารรค์อะไรเป็นการไปตามกระแสของชาตตะวันตกเพราะสังคมเราเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องเราอยู่ร่วมกันฉันมิ และทีนี้พอใช้วิธีการที่ต่อสู้กันทำลายประโยชน์กันคือเรามีความชัดเจนที่หลายปีมาแล้วที่มีการประท้วงที่ดุสิตธานีนานนะ น, นะ20ปะีอ่ะก็มีคนเขามาพักยจดีย์วัดนี่หลายคนก็ถือว่างานนะ่ะพนัก ง, งานก็ามาเราก็คุยกันคือบอกว่า คนเราถ้ามองอะไรตัดตอนแล้วเนี่ยมันจะลำบากเพราะจริงๆธุรกิจทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เป็นหนี้หรอกแต่ถ้าคนเหล่านี้ไม่ยอมเสี่ยงเป็นหนี้ไม่สร้างงานขึ้นมาก็ไม่มีคนทำงานแต่ถ้าเราเทียบเคียงกันด้วยความยุติธรรมนะฮะว่าพวกนักธุรกิจทั้งหลายที่ก็เสี่ยงลงทุนยอมเป็นหนี้เป็นสินธนาคารเป็นหนี้อัตราธนาคารต่างประเทศเนี่ย เขาคาดหวังว่าเขาต้องได้กำไรดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพื่อนฝูงภายในชาติบ้านเมืองด้วยแต่ตอนนี้้จะตัดตอนแบ่งแยกออกไปกับต่างคนต่างก็นึกถึงตัวเองแด้เห็นว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่มีฐานะดีเนี่ยสมมติว่าเขามีเงินสักยี่สิบล้านแล้วก็ก็ฝากกินดอก เขาก็อยู่ดีมีสุขได้ไปในครอบครัวเขาโดยไม่จำเป็นจะต้องเหนือยยากลำบากมาต่อสู้มาขับเคี่ยวกับพนัก ง, งานต่งางๆแต่ว่าเอากนชนพนัก ง, งานต่างๆเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงคือเขาไม่สร้างงานเนี่ยเขาอยู่ได้นะแต่เราไม่มีงานเนีเราอยู่ไม่ได้เพราะในความคิดมันประนีประนอมกัน ประสานประโยชน์กันก็อิงอ า, ศ า, ศาสัยกันไม่ใช่ไปคิดว่าให้ตัวเองได้อย่างเดียวนคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็บอกให้เขาคิดบอกคุณคิดดูเถอะคุณหายใจเข้าหายใจออกมันก็ได้สตางค์เท่นั้นน่ะแต่เขาหายใจเข้าหายจเอเขาก็เสียงตลอดระยะเวลาเลยเราดูคล้ายๆจะไปได้ดีแต่นักธุรกิจแสนล้านอย่างเป็นหนี้เขาอะในละเนี้ยในบ้านในเมืองเราที่มีเยอะเลย แต่ว่าทั้งคมในจําเป็นจะต้องทําจะเป็นจะต้องเสียแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องสํานึกคุณเราได้อิงอาศัยเขาเขาได้อิงอาศัยเราคือต่างคนนักอิงอาศัยซึ่งกันและกันนั้นอยู่ด้วยอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมันได้นเน้นย้ำว่าคนนั้นเสียสละมากคนนั้นเสียสละน้อยทุกฝ่ายต้องเสียสละทีนี้ถ้าเราพิสูจน์ความจริงใจกันได้เนี่ย องค์กรเอกชนทั้งหลายบริษัททางร้านรับวิสาหกิจแม้แต่สถานที่ราชการเนี่ยเกือบแต่คนสํานึกคุณต่อกันและกันแล้วก็มีความรับผิดชอบในภารกิจของตนที่จะต้องทําต่อองค์กรต้องทําตามตําแหน่งหน้าที่ที่รับมอบหมายเนี่ยที่จริงไม่ต้องมีการควบคุมกันได้ซ้ําไปเจ้าของบริษัทอาจจะไม่เข้าบริษัทเลยเป็นเดือนๆก็ได้ โดยพนักงานก็แต่เราฝ่ายมีความรับผิดชอบมีความสนักแน่ที่จะช่วยเหลือให้กิจการ ง, งานเหล่านั้นดำเนินไปได้ด้วยดีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็นึกถึงเขาก็ต้องมา เ, เฉลี่ยให้เป็นธรรมดาแต่อย่าลืมมาตลอดระยะเวลาเนี่ยบริษัทเขาเสีย่ยงไงบริษัทไปเกี่ยวข้องกันระดับโลกแต่เรามันเกี่ยวข้องกับบริษัททนั้นเอง จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้สินค้าขายได้ไม่ได้เต็มสต๊อกอยู่เนี่ยเราก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่เขานี่ออกดอกปึบึปบปรึปขึ้นมาเลยนั้นความคิดเนี่ยถ้าคิดได้ขนาดนี้คิดได้เป็นกัญยาณนะมิตรกันคิดจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่หกักลางตัดรอนผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนะ การอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรโ ด, ดยความสานึกคุณก่อนแต่ละฝ่ายแล้วก็ไม่คิดจะเอาลัดโอเปรียบอะไรกันมากเกินไปเป็นการอยู่ร่วมอย่างสร้างสรรพัฒนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อ ก, กันไม่ว่าฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนก็ตามสามีกับปัญญาจะพนักงานบริษัทกับบริษัท การงานรอดยกิ จ, า ก, จการสายกิจกะรจัดการกับประเทศอะต่างๆก็เหมือนกันผลงาะแบบตรงนี้โดยการมองถึงต้นไม้ที่ให้ความอบอุ่ให้ความปลอดภัยตลอดเจ็ดวันเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงสํานึกกตัญญูแม้แต่ต้นไม้ที่ได้อาศัยก็เแบบฉบับที่ควรที่ถือประพฤติปฏิบัติประการหนึ่งท่างฟังกันไร ในรมประพุทยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่อ ง, งามไพบูย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี